สบายสบายไม่ต้องไปตั้งน้โมูลนะเอาเป็นธรรมศากัชฉาสนธนาธรรมกันนีะครับฟังทำยกหัวข้อแล้วขยายทำไปเป็นเรื่องเป็นราวเกินมันก็จะห่างตัวตัวไปเรื่อยอืแล้วก็มีจะทําทฤษฎีแล้วก็จะติดจะ ท, ทําทฤษฎีกันแล้วก็ไม่เคยใช้ประโยชน์อะไรรู้หมดยันนิพันธ์อืมแต่อยู่ด้วยกันก็ยากอยู่คนเดียวก็ยากอยู่คนเดียวก็ อ, กอึดอัอด ออยู่กับเพื่อนก็ยากอืมแล้วก็บอกปฏิวัติธรรมไม่รู้อะไรเป็นธรรมอแล้วไปประมาณนี่เอออยู่กับโลกยากมากกว่าคนที่ไปวัดไม่ไม่ไปวัดอีกออืมผู้โดยส่วนมากก็จะละชั่วแล้วก็มาทําดีแล้วก็จะติดดีเอ่แต่พระเจ้าเนี่ยละหมดแหละทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปเรียนรู้เฉยๆมันมีคุณยังไงมีโทษยังไง อืไฟมันร้อนเอแต่มันก็หุงข้าวได้นั่นน่ะเนี่ยน้ําแข็งมันเย็นแต่ถ้าวางไม่เป็นก็นทุกข์เหมือนกันนั่นเนี่ยเอีเพราะฉะนั้นถึงละชั่วทําดีถึงที่สุดก็ทําจิตให้บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ทิ้งทั้งดีทั้งชั่วละทิ้งทั้งบุญทั้งบาปเรียนรู้เฉยๆมันมีคุณแบบไหนมีโทษแบบไหนเข้าวัดน่ะวัดใจตัวเองอม่ใจไม่ใช่หัวใจทางกายภาพคือความรู้สึกที่เมึดกลาง เดี๋ยวนี้มันไม่ตั้งอืมันไม่ไปรักมันก็ไปชังนี่เนี่ยถ้ารักอืมค่ะาหาเหตุผลสนับสนุนถ้าชังหาเหตุผลหักล้างเดี๋ยวพอมีตัวตนเนี่ยมันเข้ามาวัดมาวัดตัวนี้เนี่ยวัดใจตัวเองเนี่อยมัาทำลายความเปตัวตน่ะตัวเองตัวกู้ของกู้เนี่ย เป็นเรียนเรียนรู้ ค, คาสอนของบูธเจ้าเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองไม่ใช่ไปสอนคนอื่นเฝ้าดูตัวเองไม่ใช่ไปเฝ้าดูคนอื่นนความรู้สึกตัวเองนั่นแหละเดี๋ยวนี้เข้าวัดทาสัิติอ่ะไปวัดบ่อยเดือนเดือนนึงเท่านั้นครั้งเท่ า, านี้ครัง้งไปทำบุญก็ทาบุญกับทาสถิติทานมากนะ่าดอเท่า น, นู่นเท่า น, นี้ไป แล้วก็ไปเพ่งโทษจับผิดเขาเปรียบเทียบอคนนั้นไม่ค่อยเข้าวัดเออคนนี้ไม่ค่อยทําบุญ่ก็ดูเหมือนเขาได้อด่รวมเหมือนตัวเองดีออแต่ในความดีของตัวเองก็ทําให้ตัวเองทุกข์อยู่นั่นดีจริงทำํำไมทุกข์ล่ะนเข้ามาวัดมันจะต้องมาตรงนี้เอมันวัดใจตัวเองมันเป็นกลางหรือเปล่า มันไม่กลางมันก็ไม่เป็นธรรมแล้วทำมาคือความพอดีอ่ามันพอดีพอดีจากรักและชังจากอดีตและอนาคตอ่าเดี๋ยวนี้ของเราเนี่ยมันมันไม่ไปมันไม่ไปรักมันก็ไปชัง น, นั่นแหละอ่าความรู้สึกนั่นแหละเข้าดูความรู้สึกแล้วคนตายไม่ทุกหรอกตาหูจมูกดิน้นอ่ามันไม่ได้เดือดร้อนหรอกเห็นไหมคนตายมีทุกอย่าง นอนในโรงกี่วันกว่าจะได้เผาไม่เห็นเลือดร้อนเอาไปเผาก็ไม่ได้ทุกอะไรแต่แต่ตอนนี้ใครทุกข์อ่ะนั่งยังไม่ถึงสองสามชั่วโมงเลยทุลนทุรายเนี่ยแต่พูดทีปล่อยวางนุ่นสติปัฏฐานสี่นู่นนั่นนี่ว่าเข้าไปธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ท่องมานะท่องไปลองนั่งดูซิทีนี่สิ่งที่รู้เป็นปัญญาไมหมหรือว่าสัญญาจำเขามาเนี่ย ไปหาหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่อ่หลวงปู่ท่านก็เล่าให้ฟังกรรมวิธีแก้ทุกข์ในใจของท่าน่ะะไปร้อยหลวงปู่แล้วนี่ทุกข์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ในใจเรามันไม่ได้อยู่ในใจท่านเพียงแต่ท่านบอกกรรมวิธีที่จะมาแก้ทุกข์ในใจตัวเองนั่ น, นแต่เราไม่ได้หันมาตรงนี้อ่หันมามันก็เลยขาดประโยชน์เท่าที่ควรอืมเท่าที่ควร เน่ยเวราะอย่นั้นเนื่ออ่าพนเรียนรู้คําสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยจริงๆอ่ะครูบาอาจารย์กับ น, นำคําสอนพระเจ้าล่ะอืมมาใายทอดเออ่เพื่อให้พวกเรา เลยรู้ได้ฟังในแง่ทฤษฎีหลักการที่พระเจ้าสอนศ า, าสนาศาสนาศาสนาพุทธคำสอนของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรก็รู้ความเป็นจริงของสอรรพสิ่งที่ไม่สเสถียแรแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่ตื่นตื่นจากความหลงที่ไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งที่ไม่สเสถียรนี่ก็เลยเกิดความรู้สึกเบิกบานน่ะ โดยพระเมตตาพระองค์ก็พยายามที่จะบอกสอนเวนัยสัตว์คือสัตว์ที่พอจะโปรดได้เพื่อที่จะให้รู้ตามตื่นตามจะได้เบิกบานตามพระองคอ์คำสอนของพระองค์ก็เลยเป็นศาสนาตัวพระองค์ก็คือพระศาสดานั่นศาสนาพุทธแล้วทีนี้พอเราไปเรียนรู้เราไปแทะตำรามาทีนี้แทะตำรา อ้างอิงแหละทีนี่พระใจพโดกหน้านุ่นหน้านี่แหละไม่ได้อ้างอิงความรู้สึกว่ามันพัฒนาขนาดไหนละมันเบาบางขนาดไหนความสําคัญมันหมายมันลดน้อยถอยลงไปขนาดไหนตัวแปรมวลความสําคัญมันหมายมากความหนาแน่นของมวลก็มากอความหนาแน่นของมวลมากมันก็หนักมากหนักมากก็ทุกมากออ่ะความสําคัญมันหมายน้อยความหนาแน่นของมวลก็น้อยมันก็เบา ถ้าไม่มีความสำคัญมั่นหมายเลยก็ไม่มีมวลเลยนั่นก็เป็นอิสระมวลกิเลสนั่นแหละเนะมาเฝ้าดูตรงนี้มันความสำคัญมั่นหมายนะยึดมั่นถือมั่นในตัวกู้ถ้ามีตัวกูเมื่อไหร่ก็มีของกู้แหละนั่นมันเป็นแบบนั้นเนาะถ้าทอ่ไม่มีเราอยู่กลางแดดมันก็ไม่มีเงาเราหรอกตราบใดที่มีเราอยู่กลางแดดมันก็จะต้องมีเงาเราอยู่ที่นี่เหมือนกันนะถ้าไม่มีเราจะมีของเราไม่หรอก เนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเป็นของเราเหลือนั่นนะลูกเมียเราอย่ญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติพระสถานเป็นของเราเหลือนั่นนะพราะถึงที่สุดหมดลมหายใจมีอะไรล่ะที่เป็นของเราแม้แต่ลมหายใจยังเอาไปไม่ได้ีคุณเอาอะไรไปได้เนี่ยพระเจ้าจึงให้เฝ้าดูตรงนี้นี่นะดูดูคนดูลมดูลมหายใจตัวเองน่ะเฝ้าดูสินนะผู้โทรวุฒ่อยู่นี่เนี่ย อ่าโดยธรรมชาติทุงจิตจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆนอืมมันก็จะเด่นชัดอยู่ในจุดนั้นจุดอดื่ น, นก็จะเลื่อนอ่ากันนั่นแหละซึ่งสิ่สมายเท่ากับศูนย์เกิดสมดุลสถิต ไม่มีงานก็ไม่มีพลังไม่มีพลังงานการอนุรักษ์พลังงานไม่มีแรงกระทํากม็มีความเร่งเข้าไปอยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อนเถอะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอมอนั่งปุ๊บเนี่ยอยากสงบ ถ้าอยากสงบมันก็ไม่อยากฟุ่งสั้นแรงกรทํากับความเร่งแล้วก็จะทุกขหรคนเราไม่มีปัญหากับความเร็วหรอกเพราะเราอยู่กับความเร็วสัมผัสอยู่แล้วอ่าแต่สิ่งที่จะทําให้เกิดปัญหาคือความเร่งเนี่ยคิดว่าความคิดของเรามันช้าหรือเร็วหรอกเราก็อยู่กับความเร็วตลอดคิดนู่นนั่นนี่อยู่ตลอดอแต่เวลามานั่งภาวนาทําไมมันถึงอึดอัดขัดข้องวุ่นวายก็นี่ไงความเร่งไงคุณอยากให้สงบคุณก็ไม่อยากฟุ่งสั้นอืแค่นี้ไงปัญหาจีบ ก็จีรลบพะพุทธเจ้าถึงให้มาอยู่กับคำบริกรรมเนี่ยนะเพื่อที่จะหนีจากความเล่งจะไม่ได้เปลี่ยนอนี้อยากแรงกระทำมันยังไม่ได้แปลเป็นความเล่งอือดูพุทโธพุทโธไปเนี่ยนะนั่นและหละกักการเน่จะมาดูถูกอีกต่างหากอือดูถูกสมมาตาิแล้วก็ไป ว, วิปัสสนงสนานฟุูงเรื่องอนตงัตตงอนัตตาเนี่ย เรานั่งดูสิเนี่ยมันนั่งถึงสา5สี่ห้าชั่วโมงไหมล่ะโดยที่ไม่ขยับเนี่ยลองดูสินั่นเป็นบทพิสูจน์หละเช็คดูสิเราสิ่งที่รู้เป็นปัญญาหรือสัญญาเราไนั่งไปเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านงงเงาเหงาเหานอนเป็นเน็บเจ็บปวดทุกทั้งนั้นลหละลุมมีปัญญาแก้ไขไหมล่ะนั่น กันไหนว่ามันเป็นอนัตตานะถ้าเป็นอนัตตามันกไ็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะทุกข์หรือไนงะมันจะมาเกี่ยวเนื่องอะไรกับการเวลานะมันจะมีปัญหาอะไรกับสิ่งเรานะตราบใดที่มันยังเกี่ยวเนื่องกับสิ่งเราก็สแสดงว่ามันยังเป็นอัตตาอยู่นี่คือตัวตนอยู่นี่มีความสําคัญมัตต์หมายอยู่นี่อนะมีสังขารในก็มีสังขาร น, น, น, นอกแลยทีนี้สังขารในคือกระบวนการคิดะปรุงแต่งอยู่นั่นอเมลาลานะั้นะ อยู่นยมันก็ต้องมีปุงอย่างก็สังขาร น, นอกกันนามีผมคนเล็บฟันหนังตับปอดม้ามใจเจ็บแข้งเจ็บขานน้นนั่นนี่มีอะไรทุกไอ้นั่นแหละนะการสงบเสื่อซึ่งสังขารมีสุญยิงยงนี่คือกระบวนการคิดสงบสงบจากสัญญาจากสังขารจากเวทนานั่นเอ่อที่ว่าสงบสงบนี่ยนะถ้ามันสงบจริงมันก็ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความลังเลสงสัยอ่า ถ้าไม่มีวิจิกรคิชาก็ไม่มีอุทะจะกุกุจะฟู้งซ่านนองคันใจไม่มีศีลละประตประมาทมงค์นตื่น ข, าขาวว่าวเขาว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้อมันก็ยังม่มีรอสักยะทิคที่ความเห็นเดิมตามที่เขา ว, ว่ามาเพราะเราเห็นจริงตามเป็นจริงอ่าให้มันเห็นแบบนั้นให้มันอยู่แบบนั้นแล้วก็เช็คด้วยอ่ว่าปฏิบัติมาแล้วนะ่ะมันเป็นยังไงที่นี่ผนะลของการปฏิบัติะมันดีกว่าคนเขาไม่ปฏิบัติตรงไหน ไปวัดไปวามานะ่ะมันดีกว่าคนที่เขาไม่ไปตรงไหนน่าอยู่กับสิ่งเล้าได้ดีไหมล่ะอยู่กับสังคมซับซ้อนวุ่นวายได้ดีกว่าคนที่เขาไม่ปฏิบัติไหมล่าน่ะอยู่คนเดียวมีความสุขกว่าคนที่เขาไม่ปฏิบัติไหมอยู่กับหมู่ได้ดีกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติไหมนั่น อ่ถ้าปฏิบัติเป็นมันก็จะต้องมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีกว่าคนที่เขาไม่ปฏิบัติสิความยาวขึ้นของฟีฟ น, นั่นมันน่าจะมีศักยภาพสูงกว่าคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัตินั้นน่ะน่า มันน่าจะรู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรน่มันอ ย, อยู่ได้อยู่ได้ทุกที่ทุกสถานเพราะเข้าใจความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่ไม่เสถียรแปรปวนเปลี่ยนแปลงสิ่งดีสิ่งเลวมันมีอยู่แล้วก่อนที่เราจะเกิดต่อให้เราตายไปเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้อีสแอมอา น่าเป็นแบบนี้อยู่แบบนี้คือแบบนี้ต่อไปเปลี่ยนเป็นวอสเซอร์บีบินอดีตอนาคตมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่แบบนี้คือแบบนี้ไม่ว่าคนสัตว์หรือว่าสิ่งของคุณเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดพฤติกรรมตัวเองพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้สอนให้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมมันเป็นแบบนี้อือ ก็มีแต่นี่แหละจริงๆมันก็รู้รู้ไปเฉยๆแต่ต้องลงลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติก็จะเห็นเห็นคือการสัมผัสรู้ไม่ได้เห็นด้วยตาตาเนื้อแต่จะสัมผัสผัดรู้ในความรู้สึกของตัวเองฟุ้งซ่านเป็นแบบนี้ง่วงเป็นแบบนี้เป็นเหน็บเจ็บปวดเป็นแบบนี้สภาวะนี้เรียกว่าทุกข์อ่าแล้วคุณก็พิจารณาดูซิน่ออะไรทุกข์อ่ะ นี่แหละเนี่ย ท, ที่ท่านมาให้ปฏิบัติเพื่อจะแปลงสัญญาสิ่งที่คุณได้ยินได้ฟังได้อ่านมานะ่ะเป็นความรู้ของบุทธเจ้าเป็นงานวิจัยของคนอื่นเขาเนาะเราก็ประมวลหาบทสรุปเพื่อจะมาทำโปรเจกต์ของตัวเองที่ลงมือกระทำนะ่ะ ผู้เจ้าไม่ใช่นักคิดนักเขียนแต่เป็นนักปฏิบัติคุณจะต้องย้อนเหตุอ่ามามามาสร้างเหตุเหมือนพระองค์คือย้อนมาสร้างเหตุเหมือนพระองคนั่งเฉยๆเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นทุกข์เพราะาอริยสัจสีไม่มีคํามม่นสุขมีแต่ทุกข์กับความดับทุกขนะ์ถ้าคุณไม่ทุกข์คุณจะไปหาเหตุของทุกข์ตรงไหนอ่ะแล้วคุณไม่คิดหาเหตุของทุกข์คุณอยู่ในมรรคยังไงอ่นะคุณไม่อยู่ในมรรคคุณจะไปนิโรธแบบไหนอ น, นะ ก็นี่งไงนะไม่งั้นพระพุทธเจ้าก็บรรลุอยู่บนสวรรค์แล้วนะนะนะแล้วจะไปบรรลุได้ยังไงในะเมื่อมันมีแต่สุขนั่นะนะพูดเรื่องทุกข์มันจะเข้าใจไหมล่ะ่นะเหมือนอธิบายสีแดงให้คนตาบอดตั้งแต่กำเนิดฟังอ่ะมันไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบมันจะไปอธิบายยังไงนี่ไงพระพุทธเจ้าถึงจะต้องมาเกิดเป็นคนเพื่ออ า, าศัยธาตุขันเป็นตัวสะท้อนทุกข์ให้นะ่ะะ เนี่แม้ท่านไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็นสั่งเวทแล้วนี่แล้วก็ถามทหารนี่เป็นยะงไรนี่คือคนแก่นี่คือคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือคนตายนี่คือสมัมะนะนี่ไงท่านก็โอปะเยโกน้อมเข้ามาแล้วนี่คนเราทั้งชีวิตอาจจะรอเพื่อสี่ไปสู่จุดนี้เหรอมันมีดีกว่านี่ไหมหล่ะนี่มันไม่ใช่ทางที่จจะสบาย ชีวิตเนี่ยมันมีแค่นี้เหลือนี่พระองค์น้อมเข้ามาแต่ถามทหารก็ทหารก็บอกเป็นเรื่องธรรมดาแต่พระองค์ไม่ได้ธรรมดาล่ะเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยที่พวกเราเห็นทุกวันนี้เนี่ยคนแก่คนเจ็บคนตายนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของพวกเราแต่เจ้าชายจีตาถามไม่ธรรมดาท่านก็นมานั่งพิจารณาวิเคราะห์อยู่ตลอดจนอายุยี่สิบเก้าพระองค์ยิงได้ออกบวช แล้วก็มาพิจารณาแล้วมาปฏิบัติอาศัยกําลังจากความสงบเป็นตัวหนุนนะนะกระบวนการคิดวิเคราะห์ถึงเห็นจริงตามไปจริงของสรรพสิ่งนี่เป็นมันเป็นโทษของการเกิดถ้าเราไม่มาเกิดมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลัดท่าจากของรักของเจริญใจไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจ่ันนี่ไง นี่เป็นผลจากการเกิดเรามานั่งดูสิทธีนี้อขนาดนั่งเฉยๆคุณก็ยังทุกข์ทุรนทุรายนั่งเฉยๆยังทุกข์เราคุณคิดว่าคุณจะไปหาความสุขไหนกับการเกิดเนี่ยเราทํางานแล้วก็บน่นล้วเหนื่อยว่าคิดมากกระปวดหัวแต่พรธเจ้ามาบอกอย่าไปคิดมากเอาแค่พุโทโธนี่แหละมันั่นก็ดูลม ใ, ใจเข้าออกอะกลัวเราจะปวดหัวอแล้วนั่งเฉยๆอย่าขยับ อ่าก็ตอนนี้ก็อยากขายับละอ้ว ต, ตอนนี้ก็อยากคิดละเนี่ยแต่ตอนทางานก็บ่นนู่นนั่นนี่นั่นนั่นนนงเฉยๆ ย, ยังทุกข์แล้วคุณจะไปหาความสุขนี้กับการเกิดนี่หันมาดูแบบนี้เอฮิปซิโกท่านยังมาดูาธรรมเถดรูความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะโยนิโสมานาสิการพิจารณาให้แยบคายกับความรู้สึกนั้นอ่าภาวนากับพิจารณาความรู้สึกนั่นแหละ ออืความตปฏิบัติธรรมอ่ะเฝ้าดูอยู่ในนี้คุณจะปฏิเสธสิ่งเหล่าไม่ได้คนสัตว์สิ่งของมันมีก่อนคุณเกิดอีกนะคุณจะไปไหนคุณจะต้องอาตาหูจมูกลิ้นไปด้วยคุณเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะต้องตอบสนองสิ่งเหล่าตาก็ทบรูปหูก็ทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสมันจะต้องเกิดความรู้สึกแต่ความรู้สึกไม่ใช่กิเลสความสําคัญมันหมายในความรู้สึกเป็นกิเลสทําไมคุณจะดับท่านล่ะนะมันจะเป็นแบบนั้นนะ อยากแบบนี้อยากที่นี่ชอบแบบนี้แล้วไม่อยากให้สิ่งนี้เสื่อมสลายเกียดสิ่งนี้อยากผักไสให้ไกลห่างวอ มันเป็นไปได้เหรอคุณบริหารจัดการไม่ให้ตะวันขึ้นหรือตะวันตกดินได้เหรอเอมันเป็นของมันอยู่แบบนั้นสิ่งที่จะทําได้ตะวันขึ้นมันร้อนอคุณจะอยู่แบบไหนตะวันตกดินมันมืดคุณจะอยู่แบบไหนคุณก็จะต้องผลิตตัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะอยู่อกับสภาพแวดล้อมตามเป็นจริงให้ได้คุณเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้พระพุทธเจ้ายังเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพระองค์มาเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดพฤติกรรมของพุองเองพระองค์ถึงเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะ แล้วเราพอมาเรียนรู้คําสอนพระเจ้านี่เป็นศีลนี่เป็นธรรมอ่าและทีนี้ก็อยากเปลี่ยนแปลงโลก อ, อยากเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้ได้ดั่งใจตัวเองฝันได้แต่อย่าหวังลูกพ่อแม่เดียวกันมาจากแหล่งยีนพันธุกรรมเดียวกันได้แท้ยังไม่เหมือนกันรักชอบไม่เหมือนกันคุณจะไปเอานิยายนีอะไรกัยีนอื่นนี่ไงหันมาอยู่ตรงนี้พระองค์ยังแบ่งเวเนยสัตว์กับสัพพสัตว์สัตว์ที่พอจะโปรดได้อยู่ไหนพระองค์ก็ตามไปโปรดโปรดไม่ได้ก็อุเบกขาเมตตาเกินขอบ ก็เป็นเหตุแห่งทุกข์นี่คือศาสนาพุทธแหะนะในบริบทที่จะสอนตัวเองแต่ล่อมตัวเองไม่ให้มันกระเจิงอ่าอ่แล้วก็มั น, มนจะตีกลับมาเป็นแรงจูงใจที่จะมานั่งอยู่กับคำบริกรรมเนี่ยเอากำลังซะก่อนอัปเลเวลขึ้นความถี่ของอสมองอพีฟอนทอนให้มันมีคุณภาพ ในแง่ของภาษาวิยานะมันไม่ได้ไกลเลยแต่เราอยู่เราไปเรียนบาลีมากนะการไปบ้าแต่สวรรค์ น, นิพพานบ้าแต่บุญกันนะแต่จริงๆอะปัจจุบันดีอนาคตก็ดีความรู้สึกสุดท้ายจะเป็นตัวบ่งชี้อนาคตคุณนะคอนโทรลความรู้สึกของตัวเองและให้ดีนะแต่ทำไมท่านถึงให้อยู่กับคำบริีกรรมทำไมอยู่กับอยู่กับลมหายใจนะ เพราะสิ่งนี้มันใกล้เราคนยังไม่ตายลม้ไหมใจละ่นะที่มันจะชัดเจนแต่เราสติอ่อนก็เลยเพิ่มคำบริกรรมเข้าไปด้วยหายใจเข้าฟูใหายใจออกโทรหรือจะบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่เฉยๆก็ได้นะเพราะเอฟเท่ากับเอมเอนะแรงกระทํากับความเร่งตัวแปรมวลนะถ้ามีแรงกระทํามันก็จะมีความเร่งพระเจ้าก็เลยให้อยู่กับคาบริกรรม อ่เพื่อที่จะนีแรร้แรงกระทั่แรงกระทั่นั้นคุณก็จะต้องการสงบคุณก็จะต้องปฏิเสธฝงซ่างเนี่ยยิ่งต้องการสงบมากอ่ะนะมีแรงกระทั่แรงเหวี่ยงมันก็มากอหละความเร่งมันก็มากอ่ะคุณก็จะทุกข์กับความเร่งจีบวกกับทีลบแหละอืมโอเคนะเนั้นทําำเฉยๆพุโทโธไปนี่แหละ ืมสงบไม่สงบช่างมันเถอะแต่ให้มีสัจจนะน่เราจะวันนี้เราจะนั่งชัง่วโมงนึงอย่างงี้ตั้งนาฬิกาเลยอนะพยายามที่จะเกาะ อ, อยู่กับคำวลิกรรมมันจะแวบไปซ้ายไปขวาอาดีตอนาคตรักชองรู้และกว้างวางอารมณ์นั้นมาอยู่อารมณ์นี้พูดโตพุโตอยู่นี่นแต่อยา่าขยับนั่งนะขาขวาทับ ข, า, ขาซ้ายเหมือนพระพุทธรูปว่ามันจะเป็นท่าที่สมดุลที่สุดในการนั่งนานเหมือนพิระมิดอะ อ่ามันสมสมดุลอ่าพุทโธพุทโธไปอยู่นี่เดี๋ยวมันก็แวบไปตามอมิเราในแหละอารมณ์สัญชาตญาณอ่าของของคนมีกิเลสสัตว์ที่มีกิเลสมันต้องไปตามนั่งอยู่แล้วได้เราก็ยืมันคือวางมันวางอารมณ์นั้นมาอยู่อารมณ์นี้พุทโธพุทโธจ่อเข้าไปนด้ออย่าจะง่วงง่วงลืมตาตัดบทอย่าหลับตาถ้าหลับตาคุณจะเอาไม่ทันมันจะสับปะงกอเข้าพวัง ยาถ้ารู้สึกเสียสมดุลหลงเหลงคงเค่งลืมตาตัดบทอะนะและ้วก็พุโทโธพุทโธอยู่เหมือนเดิมถ้ารักษาสมดุลได้ ค, ค่อยๆหลับตาไปยื้ไปแบบนี้ตลอดเวลานี่คืองานของเราแหละในปัจจุบันทําไ ป, ไปบ่อยๆเข้านะทําไปบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเข้มแข็งขึ้นเองนั่นแหละสติมันจะเข้มแข็งสติคือความยาวขึ้นของพีฟอนทอนคอนเทกนั่นแหละมันจะยาวขึ้น มันจะมีศักยภาพขึ้นมันนี้จะทันอเมริกาเนี่ยน่ามันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ทันหรอกน่าแต่เหมือนว่า U V รังสี X มันไม่สามารถผ่านกลุ่มแก๊สของเหววิลลาได้ไม่สามารถผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้น่ามันเป็นแบบนั้นมันจะต้องระดับอินฟราเรดนุ่นมันถึงจะผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้นี่เหมือนกันแวความยาวขึ้นของสมองเราอามันเหมือนรังสี X กลุ่มน่าเหมือน U V มันสั้นนะ พุทธยังไม่โทรเลยกับถูกอดีตอนาคตลักชางสอยไปแล้วนั่นนะ <c oughs> เบนแบบนั้นเนะี้ย <c oughs> ก็จะต้องฝืนฝืนไบ่อยนะเดี๋ยวมันก็จะมีพัฒนาการขึ้นเองแหละ่านะในที่นี้ความยาวขึ้นมันมากขึ้นมันก็จะมีศนะักยภาพในการโฟกัสจดจำนะมีศักยภาพที่เชื่อมทุกส่วนของสมองนะ ไม่ว่าหลักการและเหตุผลจินตนาการและอารมณ์มันสามารถดึงมาสังเคราะห์ให้เป็นปัญญาที่จะเหนือมนุษย์ได้บิสอมปัญญาที่จะรู้ลอดในกองเครื่องขานแต่ทีนี้ของเรามันไม่ลอดหรอก <c oughs> ความยาวขึ้นมันสั้นอินฟาเรดอ่าแล้วก็าเดลต้าอัลฟามันไม่ลอดหรอก <c oughs> มันจะต้องระดับอินฟาเรดนั่นแหละห <c oughs> ความยาวขึ้นมันยาวขึ้นระดับแกมมาอืม <c oughs> ในแง่ประสาทวิทยาเนี่ยที่คุยให้ฟังนี่ก็เพื่อที่ให้เห็นว่า าศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องหลาหลังแต่เราไปติดพิธีกรรมของพรามซะมากกว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยเป็นพราหมณ์อิงผีแล้วค่อยมาอิงพุทธไปติดในรูปแบบเดินบือ้อนั่งบือ่อไม่พูดไม่คุยแล้วก็บอกระวังสำรวมนู่นนั่นนี่เอาไปมาปฏิบัติธรรมแล้วไม่รู้จักมนุษย์สัมพันธ์ไม่รู้จักปฏิสัมพันธ์ไม่มีทักษะที่จะสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมด้วยอยู่คนเดียวก็อึอดอัดอยู่กับคนอื่นก็ยากนั่น อยู่กับคนด้วยกันยังยากสวรรค์จะมีที่ว่างให้หรือเนี <c oughs> ่ยก็ดูดูตัวแปลอนาคตอ่ะแล้วสมมติว่าคุณป่วยติดเตียงคุณขยับไม่ได้คุณดิ้นไม่ได้อ่ะคุณจะเอาตัวรู้ไปไว้ไหนอ่ะอเงี้ยนั่นแะคือตัวแปลอนาคตคุณความรู้สึกนั่นแหละอ่านี่แค่คุณอดทนหนึ่งสามสี่ชั่วโมงอยากขยับนะ มันจะปวดแสบปวดร้อนขนไหนก็ให้รู้ไว้มันยังไม่ได้ใช้มอร์ฟีนเหมือนคนที่เขาติดเตียงนั่นแ่ะนะคุณไปเยี่ยมคนป่วยติดเตียงคุณก็หลั่นล้าไปละ่ะโอ้ยทำใจให้สบายอ้านะคนเราเกิดแก่เจ็บใจเรื่องธรรมดาแล่ะไม่ต้องห่วงอะไรเนะี่ยพูดได้มีกี่นาทีก็หลั่นล้าไปแล้วกนะ็แต่เขาละ่นะนะนอนในเตียงนั่นนะ่ะที้เยี่ยวอยู่ในเตียงนั่นนะ่ะ และถ้าออกจากเตียงก็คือไปเมนแล้วอ่ะสมมุติว่าถ้าเป็นคุณอ่ะคุณมั่นใจเหรอคุณจะห้าหวานคุณจะเด็ดเดี่ยวคุณจะล่าเริงในธรรมอลองเอาคำปอบโยนคนป่วยมาปอบโยนตัวเองในขณะที่นั่งสามสี่ชั่วโมงเน่ยน<ม>ะคุณจะได้รู้น<ม>ั่นในสถานการณ์จริง นเดี๋ยวนี้คุณนั่งมันก็สบายเหมือนนั่งอยู่ปัจจุบันนี่คุณอยู่นั่งกับอ่าแร <c oughs> งน้มถ่วงที่หนึ่งกีสบายเป็นป ก, กติน้แต่ถ้าเราแรงจีมันเยอะๆละ่ะน้ลองดูซินะ่ะคุณจะสนุกหหัหยล่ะ ในกระบวนการที่คุณจะคิดอ่ะเหมือนเขาขับเครื่องบินเอฟหรือฟอร์มูล่วันอย่างเงี้ยระดับสามจีสีจอย่างเงี้ยเขาต้องใช้สติปัญญาด้วยะที่จะอ่หนีค่าศึกหรือจะทําลายค่าศึกแล้วจะต้องต่อสู้กับแรงจีด้วยในขณะที่จะต้องใช้สมองไว้พิปติพันธ์ต้องอาศัยเลือดไปเลี้ยงสมองและดวงตานแต่เลือดนั้น่ะหัวใจจะต้องปั๊มสามเท่าสี่เท่าเท่ากับแรงจีอ่ะ มเป็นแบบนั้นลองดูซิว่ามันง่ายไหมเพราะฉะนั้นนั่งสักสามสี่ชั่วโมงแล้วก็พูดลองพูดดูซิทีเนี้ร่างกายไม่ใช่ของเราธาตุสี่ดินน้ําลนไฟอืมย่าดินอย่าพิกเนี่ยนะอย่าได้รู้ว่ามันแรงจีมันเยอะไม่จีบวกกับจีลบออ่ะเคืออยากสงบอืมก็ไม่อยากฟุง้งซ่านเยเห็นหม่อืมเห็นแบบนั้นอก็เหมือนไปเยี่ยมคนป่วยหละง่ายเพราะเราสบายไงเหมือนเรานั่งอยู่ปกติหนึ่งจีนี่ เนื้อนจะเป็นแบบนั้นโอเคไหมวิศวะอยู่ให้ได้อยู่ใครก็อยู่ให้ได้ แองค์ประกอบของเรามาจากอะตอมแล้วอนุภาคมูญฐานของจั ก, กรวาลเขาสมบูรณ์แบบอยู่แล้วลบบวกแล้วก็ศูนย์อะตอมมันเป็นแบบนั้นนั่นคือความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้ น, นคุณจะไปเรียกร้องความเส ม, มอภาคเท่าเทียมฝันได้แต่อย่าหวังตามใดทีด่คุณไม่มีปัญญาเอาอิเล็กตรอนไปอยู่ในนิวตรอนได้ไปอยู่ในนิวเคลียสได้แล้วให้โปรโตอนออกมาหมุนรอบนิวเคลียสดูซิถ้าทำโปรเจกต์นี้ไม่ได้ไม่ต้องคุยเรื่องเส ม, มอภาคนี่คือความสมบูรณ์แบบ นะแล้วควาะที่เป็นองค์ประกอบของนิวตรอนกับปโปรโตอนนะ่นะมันก็ต้องมีอัพควากและก็ดาวควาสมันก็ยังอยู่ด้วยกันได้ทำไมไม่มีดาวอย่างเดียวหรือว่าอัพอย่างเดียวอ่นะน่ะ อืนั่นคืออนุภาคมุญฐานจักรวาลเป็นแบบนั้นความสมบูรณ์แบบเป็นแบบนั้นจักรวาลเป็นแบบนั้นอในจักรวาลมันก็ไม่ได้มีแต่ดาวฤกิกมันมีดาวเคราะดาวเคราะหน้อยแล้วก็มีขยะอาวกาศอแล้วขยะอาวกาศ่จะเรียกร้องความเสมอภาคกับดาวเลิกฝันได้แต่ายาวัง <c oughs> <c oughs> นนอยืยีนเด่นยีนด้อยยีนเบี่ยงเบนในแง่เคมีนี่มันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วกฎแห่งกรรมนะกามุนาวัตะติโลโก้นะ มันไม่มีความเท่าเทียมเสมอภาค มันอยู่ที่ว่าเราจะทําทอะไรเพื่ออะไรเเราสามารถที่จะควบทุมตัวเองบริหารจัดการตัวเองได้แตถ้าเราเจ๋งจริงอ่ะต่อให้เผามนุษย์กินคนเราก็จะเป็นหัวหน้าเผ่าอย่างน้อยก็ลูกเขยเผ่าอะถ้าเจ๋งอ่ะถ้ามึงกากมึงก็กากอย่างเดียวอยู่นั่นแหละต่อให้โครงสร้างสังคมไหนมึงก็กากอยู่นั่นแหละเพราะมึงกากไงนะก็เหมือนกันนี่เมแต่หมาเนี่ยเคนาย์เห็นไหมแต่กับหมาคุยขยะหมาข้างถนน่ะ น่ืม ม, มูลค่าทางสังคมต่างกันไมหมล่ะมันต่างาต่างจากไหนต่างศักยภาพอ่ะนี่ไงอความรู้ความสามารถเคนายมันสามารถดมระเบิดดมยาเสพติดได้นะมันก็เลยมีมูลค่าทางสังคมมากกว่าหมาข้างถนนหมาคุยขยะเนี่ยแต่กว่าจะดมระเบิดได้ดมยาเสพติดได้เขาก็ต้องถูกริดลอนสิทธิ์นั่นคือการฝึกแล้วก็ฝืนน่ะ เขาจะต้องถูกฝึกฝึกก็คือริดลอนสิทธิ์ล่ะนะแทนที่จะได้โลดแล่นไปเลื่อยเฉยตามอารมณ์ตัวเองนะเขาจะต้องอยู่ในกรอบกฎกติกานะที่ผู้ฝึกเขาวางไว้เนะี่ยแล้วพฝึกบ่อยๆฝืนะบ่อยๆเขาก็จะชินกับพฤติกรรมใหม่ ชินภาษาบาลีก็ชินะภาษาไทยกันชนะชนะพฤติกรรมเดิมแล้วเขาก็ไม่สิ้นว่าเขาก็จะมีความสุขอยู่กับพฤติกรรมใหม่อซึ่งสามารถดมระเบิดดมยาเสพติดได้นั่นไงเขามีความรู้ความสามารถเขาก็เลยมีศักยภาพในตัวเองเขาก็เลยมีสถานภาพทางสังคมที่ดีมีฐานะทางครอบครัวที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีที่พระเจ้าสอนอืม มันเป็นแบบนั้นอนี่คือศาสนาพุทธคุณอยากได้อะไรคุณทําเอาว่าไม่มีคำว่าพุกในศาสนาพุทธนะไม่ได้มีคำว่าพุกแต่อย่าลืมว่านะทุกอย่างไม่เที่ยงไม่จีิรังยั่งยืนเดีย๋ยวต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วยนะเพราะกฎแห่งกรรมเหนือกฎกฎนิวตันเหนือกฎนิวตันมีแอคชั่นก็มีรีแอคชั่นนะ มันก็ไม่แน่เสมอไปเราให้ความรักเขาแต่อาจจะไม่ได้ความรักตอบนี่ไงกฎแห่งกรรมมันไม่แน่หรอก <c oughs> นี่คือศาสน า, าพุทธลงมือปฏิบัติเอาเนี <c oughs> <c oughs> ่ยทำไม่มากจะเรีอนได้มากท่านไม่ใช่นักคิดนักเขียนนี่มาพูดให้ฟังพอได้เห็นในกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่จะคามโทนตัวเองที่จะอยู่กับสิ่งเราให้ดีแต่ ่ผลจากการปฏิบัติมันถึงจะมีก ร, ระกบวนการคิดวิเคราะห์ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองเหมือนเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่คอยควบคุมและสลายเชื้อโรคให้เพราะคุณจะให้โลกนี้ไม่มีเชื้อโรคมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ทําได้คือคุณจะต้องรู้จักบริหารจาัด ก, การตัวเองที่จะอยู่ร่วมกับมันเหมือนกันคนดีคนเลวสิ่งดีสิ่งเลวเขามีอยู่แล้วก่อนที่เราจะเกิดต่อให้เราตายไปก็จะเป็นแบบนี้คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็สอนให้เปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดพุติกรรมตัวเองที่จะอยู่ร่วมกับสบรรพสิ่งที่เป็นแบบนี้อยู่แบบนี้คือแบบนี้แหล ะ, ะทำใจ น, นี่คือาศาสนาพุทธและทีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นพวกเราตั้งใจที่ว่าอชอบปฏิบัติเฮไปนู่น น, เเนี่เฮไปนี่ อ่าเข้าวัดอ่ะเข้าไปทำอะไรทีนี้ไปก็แค่ในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมอยู่แบบนั้นอยู่ตลอดเวลากี่ปีแ ล, ล้วเนี่ยอ่าหลายปีมาแล้วก็ น, น่าจะมีพัฒนาการให้มากหน่อยมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนกันอ่ากระบวนการที่จะแยกสินแรก่กับทองคำน่ะมันใช้น้ําไม่ได้เรามันต้องใช้ไสยนานนี่ไงอ่ามีแต่ไสยไยเท่านั้นแหละที่จะสามารถ อ่าทำละลายสินแร่ได้มันถึงจะเหลือแต่ทองคำเพียวๆทองคำบริสุทธิ์ถ้าเป็นทองคำแท้บริสุทธิ์ก็จะมีสมบัติเป็นกลางทีนี้อยู่ไหนก็ได้อ่ะ นะอยู่ในในตัวเราก็ได้ใน น, น, นอกตัวเราก็ได้เพราะมันมีสมบัติเป็นกลางมันจะไม่มีปัญหากับธาตุอื่นเขาจึงเปรียบเทียบจิตใจของพ่ อ, อ, มพอแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะมีจิตใจงามเหมือนทองคําเพราะท่านมีสมบัติเป็นกลางไม่ไม่รักไม่ชังไม่มีปัญหากับธาตุอื่นนะการมาปฏิบัติธรรมคือนั่นคือเข้าสู่กระบวนการทางเคมีที่จะแยกสินแรกกับทองคําเพราะฉะนั้นคําตอบของคําถามทําไมต้องนั่ง นานนั่น <c oughs> มันปวดแสบปวดร้อนไมหมเ่าเพราะสซยาไไม่ใช่น้ำกันแสบเนี่ยนอนอ่ะ <c oughs> มันดิยาทาอะไรกิเลสได้อย่างนั้นไม่ ไ, มได้หรอกเดี๋ยวนี้ไปก็เ อ, เอาแต่น้ําล้างโคลอยู่นั่นเ mm hmm. นี่ยคุณธรำจริยธรรมอยู่นั่นล่อนทองมากันล้างแต่โคลอยู่นั่นเน่ะเช็ดแต่โคลอยู่นั่นเน่ยอ่าลามอยู่แต่จริงๆมันก็เป็นแค่ศิลแร่มันยังไม่ใช่ทองคำแท้เพราะอย่างนั้นะดูด้วยเห็นไหมพอไปอยู่เนี่ยอยู่คนเดียวก็ไม่ไไมไ ม, ไม่่สบายะไปอยู่วัดนู้นก็ไม่ดีไปอยู่วัดนี้ก็ไม่ดีนะ อืมใช่มันก็จะเป็นแบบนั้นโดยส่วนมากอะแต่ถ้ามันเป็นทองแท้มันอยู่ได้ทุกที่แหละเพราะมันมีสมบัติเป็นกลางอะแต่จะแยกสินแรกกับทองคำต้องใช้สศยนนยนะถึงจะทำละลายสินแรกได้แง่อืมคำสอนพระเจ้าอืมมันจะต้องนั่นแหละคำสอนอาเห็นไหมพระท่านดูจังหลวงปู่หล้งตาเห็นไหม เนยเป็นแบบนั้นเนี่ทีนี้เวลานั่งก็จะต้องเนี่ยคือกระบวนการทางเคมีอ่ามันจะต้องมาย่อยต้องมาหลอมมันต้องปวดแสบปวดร้อนแน่นอนแหละอืมเนี่ยไม่จะปฏิบัติทำแบบคุณหนูเจ้าชายที่จะทำไม่ใช่คุณหนูนะนั่งอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยทั้งคืนนั่นนหะนะของเรานี่ันั่งทำอะไรกันละ่ะนานั่งรอเวลามันเลยจะเลิอก <c oughs> <c oughs> อ่ะเนีย่ยจะเป็นแบบนั้น ไปวัดกันนับวันกลับเนี่ยแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ฝืนในปัจจุบันฝืใ น, นในมากอย่าเลินในมากอย่างน้อยให้ได้ขันติบารมีได้สัจจะบารมีติดจิตติดใจไปด้วยเนี่ยเป็นแบบนั้นน่ะในแง่ภาษาวิยาอัปเรวลวขึ้นความถี่ของส ม, มองพีฟอนทอนให้มีศักยภาพมันจะได้คอนโทลอมิลาราทันนั่น เป็นแบบนั้นตากระทบรูกหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสอ่ามันก็ส่งผ่านว่าฮิปโปแคมปัสนี้สัญญาหน่วยความทรงจําอ่าที่จะส่งผ่านไปอะมิเลาปรุงแต่งสังขารตัวปรุงแต่งแล้วก็สวยเวทนาถ้าฮิปโปแคมปัสไอ้ถ้ า, us, ถาอ่าพีฟนอนทอนอ่าไม่มีคุณภาพมันก็ผลิตกระหนุนอ่ไม่สามารถที่ผลิตกระยับยังได้คนไปต้นไปคอร์รัปชันไปทําอะไรที่ไม่ดีไม่มีใครละเมอไปทําหรอกนะ มันก็จะต้องคิดวิเคราะห์วางแผนอย่างดีมันจะใช้สมองส่วนไหนคิดถ้าไม่ใช้พีฟอนทอนคอเทกสมองส่วนาามากส่วนใหญ่ของสัตว์มนุษย์เนี่ยคนสัตว์ชั้นสูงเนี่ยมันก็สนับสนุนส่วนอมิ ร, รา่านั่นส่วนสรรชาตยานของคนที่มีกรรมนี่ยที่เกิดจากอัตโนมัติ การกระทบกันมันก็เข้าสู่ลิมบิกซีสเทมการนี่งไงกระบวนการคิดวิเคราะห์นะั่นสัญชาตญาณในการแสวงไอหากินกล้ามเกรียวแล้วกระแวงภัยสัญชาตญาณเดิมของสัตว์มีกล้ามเกิดขึ้นไม่เป็นระเบียบอ่นะทีนี้เราไม่สามารถคอนโทรลได้ก็เกิดเอนโทรปีนั่นความไม่เป็นระเบียบในใจนั่นเล่าร้อนวุ่นวายโมเลกุลกระเจิงจากพลังงานที่ผลักดันอยากกับไม่อยาก อ่าแล้วทำไงจะมีปัญญาที่จะคอนโทรลความรู้สึกอืมให้มันสงบได้ถ้าทําไม่ได้คุณก็แย่กว่าตู้เย็นเพราะตู้เย็นยังสามารถทําของร้อนให้เย็นได้ <c oughs> <c oughs> แต่เราศักายภาพสูงกว่าตู้เย็นคือทําของเย็นให้ร้อน <c oughs> ในในการฝึกนี้สามารถทําให้เคมีในสมองเปลี่ยนได้ไมอันแน่ <c oughs> นอนเน่ะคนตายก็มีเคมีอยู่แล้วใช้อะไรได้ละ่ะไม่มีตัวเรื่องมัน อย่าเว็นแบบนั้นมันมีชีวิตอีกแหละพวกนั้นมันต้องถือใช้งานอืมอยมันก็อยู่เฉยๆเองแหละอืมเอ็มอีครั้งบมืคราวเหมือนได้ยินว่าเขาต้องใช้ยาเหมือนในการที่จะคอยคอนทุมใช่ใช่ใช่ควบรุมเพราะเราไม่สามารถคนโทรลได้ แต่สังรากายวิภาคสรีระภาพมันเป็นแบบนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่จะต้องดับไปแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันก็จะต้องอาศัยแต่จิตมันก็ระดับหนึ่ง น่ะจิตอะเวลาดับนี้่ถ้าจิตไม่ทุกข์อะน่ะมันก็ไม่มีอะไรทุกข์อะก็เหมือนกันเลยหรอกอ่ามะเร็งตับองงโอ้ยโอ้ยโอยเลยน่ะพอหมดลมหายใจตับยังเหลือเปล่หรอตับก็เหลืออยู่มะเร็งยังเหลือมันก็เหลืออยู่อะ้วตัวโอ้ยไปไหนอะ่อก็ไม่เห็นมันเดร้อนเนีลยก็นอนยิ้มใส่น้ำมะพร้าวเฉยๆไม่รู้ตายแล้วนึ่ง ก็ไม่เห็นมันทุกข์อแต่ตอนยังมีลมไม่ใจทําไมทุกข์อะนี่น้อมเข้ามาตรงนี้เวลาเรานั่งนานๆเข้ามาผลิตปัญญาก็ผลิตปัญญาตอนนี้เนี่ยถ้ า, ามีผัสสะก็มีเวทนาแหละ นนี่คือหินรับปัญญาแหะคุณจะไปผลิตปัญญาตอนไหนถ้าไม่ผลิตปัญญาตอนที่เวทนามันเกิดนี่ทุกมันเกิดนี่อคุณจะต้องรีบผลิตปัญญาก่อนที่มันจะโดดไปสู่ตันหาอุปาทานแล้วก็พบแล้วก็ชาติเนี่ยเปท่องไปเฉยๆเนี่ยนะปฏิจจสมุรปรบาทะโชพาวกันเหมือนนกแก้วพูดภาษาคนแก้วจา่าแก้วจา่าไอ้นี่ก็คุยกันพูดภาษาธรรมอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุรปรบาทนะอืม ืไปเอน้นเพื่อกันกรรมวิธีที่จะอท่านจะสอนให้รู้จักคอนโทรนตัวเองนั่นน่ะนะมันมีมีรูปขันน้ําขันว่ามันก็จะมีสารลัตนะตาหูจมูกลิ้นมันมีแบบว่าพวกนี้กับมันก็จะมีผัสสะมันก็มีเวทนามันก็เป็นธรรมดาแล้วทีนี้มาผลิตปัญญาขึ้นมาสินี่เวทนาเป็นอะไรเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเหลือเรอ ตอนนั่งทำไมมันไม่เป็นท่าเลิกมันก็หายแนแ่แสดง ม, มันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันถ้ามันอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยน่ามันจะต้องเป็นอยู่ตลอดเวลานี่มันไม่ได้เป็นตลอดเวลาเนี่ยแสแล้วมันมาจากไหนล่ะที่นี่นั่นน่เถ้าไม่มาจากความสำคัญมั่นหมายเนี่ยเป็นแบบไหนคือชื่นชอบความเป็นแปกติสุขเแล่ดตะเกียดทุกขเวทนาน่ กจีบบวกกจีรลบหละทีนี่คุณพัดภาคจากของรักของเจริญใจคือความเป็นปกติสุขคุณประสบสิ่งที่ไม่ได้ดังใจคือทุกขเวทนารุมเล่านะ เยจะเป็นแบบนั้นคุณก็ทุกข์แล้วหรือเมื่อความเป็นปกติสุขหายไปคุณก็ทุกข์แล้วเวลาทุกขเวทนามาเยือนคุณก็เ อ, อ, เ อ, อทุกขแล้วเวลาความความแก่มาเยือนคุณคุณทัดทาจากของรักของเจริญใจคือความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคุณประสบสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจความแก่ชรามาเยือนจะ เ, เป็นแบบนี้อยู่ตลอดนะ เนี่ยก็นี่ไงล่พิจารณาก็ดูตัวเองนี่แหละอืมอแล้วทํงไงเราจะเรยอมรับจริงเนี่ยนั่นอืมถ้ายอมรับจริงก็โอเคนั่นจิตมันก็ปล่อยมันก็ว่างมันก็เบานั่นไม่จะเป็นแบบนั้น <Yes. S 1> อืมแต่ฏิบัติให้มันเข้าท่าอืมเข้าทางหน่อยเงี้ยอืมอ่า เหมือนนักมวยวเขาต่อยกันตุ้มตุม ต, ม ต, มตุมเลือดตกยางออกเขาก็ได้อืมทําได้อดทนพอมีแรงจูงใจเยถ้าประสบผลสําเร็จนอืมเขาก็จะมีสถานภาพทางสังคมที่ดีฐานะทางครอบครัวที่ดีนะแรงจูงใจเยอะเอย่างนักกีฬายอย่างคุณเลวางเรี้ยอืถามว่าตักเหนื่อยไม่เอาชีวิตเขาแลกแหละกว่าจะได้ไปลวดแล่นแบบนั้นไม่ได้นอนฝันมา นะเหนื่อยยากอ่ะแรงจูงใจมีนะแต่ทีนี้ลองนั่งหลายชั่วโมงเหมือนวิ่งดูซิทีนี้นะมันจะยากมากนี่พวกนะพุ่มกับซิลไปวัดเราเราก็บอกก็าปฏิบัติทําเหมือนฝึกซิลมันกระดูกเป็นแก้วกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่เอาสิที่ี้เนี่ยไม่จะเป็นแบบนั้นเพราะอะไรแรงจูงใจมันน้อยอะยิ่งปฏิบัติไปอะไรก็ไม่ได้ ่าเออแต่ทีนี้ถ้ า, าเราเป็นนักกีฬาหรือเป็นอะไรต่างๆอที่เราฝึกโลหิตเน่ะร่ำเรียนมาอย่างนี้กว่าจะเป็นวิศวะนี่แต่เราก็ต้องมุ่งมั่นมุมานะ เพราะเราจะเรียนจบแล้วเรามีงานทําที่ดีก็จะมีสถานภาพทางสังคมที่ดีฐานะขทางครอบครัวที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยแต่กับพระที่นี่ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอันี่ก็ไม่ได้ เ, เอาไปมาเมียก็ไม่ได้ลูกก็ไม่ได้เงินก็จับไม่ได้นะ่าไม่มีอะไรสักอย่างในที่นี้แรงจูงใจมันก็เลยน้อยกว่ากันนอกจากพวกที่ต้องการผลทุกจริงๆคือไม่มีอะไรจริงๆอันนรามิสุขที่ไม่อิงอมิสุอยู่เฉยๆก็มีความสุข นั่นท่านก็จะอยู่ตรงนี้ไม่มีความสำคัญมันม่นหมายในสมมุติบัญญัติแต่เพยที่ดำรงชีวิตอยู่แค่บริขารแปดกับอาหารเท่าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ไม่มีเวทมนตล์คาถาสะกดเคราะ์ต่ อ, อยุคเครื่องลังของคลังไม่ไม่มีสิ่งอื่นใดมีแตเหตุกับผลแอคชั่นกับรียกชั่ น, นทำยังไงได้อย่างงั้น <c oughs> มันจะเป็นแบบนั้นพระในาศาสนาพุทธจะไม่มีสิ่งอื่นมีแค่ตรงนี้ลงมือปฏิบัติเพื่อที่จ ะ, อะเอากำลังจากความสงบแล้วก็มาหนุนการผลิตตัญญาเพื่อที่จะแก้ปัญหา นะซึ่งมันไม่มีตัวตนหรอกเป็นแค่ความรู้สึกปัญหาก็ไม่มีตัวตนปัญญาก็ไม่มีตัวตนเป็นความรู้สึกเหมือนเราหนักใจอย่างงี้คุณแบกอะไรไว้ล่ะก็แบกความรู้สึกนั่นนะโอ้รู้สึกโล่งใจคุณวางอะไรก็วางความรู้สึกเลยเนี่ยนั่นะมันเป็นแค่ความรู้สึกแต่ทําให้คุณทุกได้เอนโทปีเกิดโมเลกุลของส า, ารสันกระเ จ, <ichtlich> จงเลยมันไม่มีตัวตนนี่แหละอยู่ในใจนะั่นแล้วจะเป็นไงเนี่ยทำให้คุณอึดอัดไม่ลบอืม เดี่ยวถ้ามันซอฟลงก็โอเคนะมันก็เย็นเนี่ยอไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วทําไงจะให้มันเย็นได้มันซอฟได้ออ ต, ตั้นหาะนะี่ยากกับไม่อยากเนี่ยจะต้องอาศัยกําลังจากความสงบนี่แหละเ <c> ห <oughs> มือนโทรศัพท์มีทุกแอปแ้วไม่มีแบต ท, ทํำไรได้อ ม, มาใช้แต่ตัวรู้จักกระบวนการชัดแบบด้วยสิก <c oughs> ็นี่เหมือนกันนะโ อ, อย้ยพิจารณาพิจารณาเออก็รู้อยู่พิจารณาเอาแรงไหนไปพิจารณา ก็กาลังในพิจะนาะถ้ากําลังพื้นฐานอนะ่ะโอ้ยเ น, เนื้อหนังบางสานี่หมอนิติเวศไม่เป็นพระรหันกว่าเราหรือเขาผ่าศพทุกวันนะั่นน่ะหมอเรียนอนาะโตมีไม่รู้มากกว่าเราหลนะนะอือนั่นน่ะเออ ทนเป็นพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังมูดพูดก็พูดเป็นตูวเป็นต่าไป่องเนะอืมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคุณมีแค่ปัญญาในสัญญาไอ้ปัญญานั่นเฉยๆนะตามสัญญาที่จำมาเฉยๆนะแต่พระปฏิบัติท่านมีปัญญาที่รู้เท่าทันสัญญาเนะ่ะรู้เท่าทันผลที่จะเกิดจากคิปโปแคมปัสและอะมิดาลา่านี่นั่นท่นจะคอ น, ทนโทรลเรงนี้ได้มันถึงจะวางได้่างงั้น อคาารับในระหว่างที่สมมติปฏิบัติแล้วมีกำลังแล้วมีความสงบแล้วเนี่ยปัญญาที่จะพิจารณาคือการการคิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับใช่เดี๋ยวมันมีกำลังขึ้นมาเองหละอย่างน้อยมันก็มีปัญญาพื้นฐานถ้ามันออกมาแล้วอย่างน้อยมันก็เห็นว่าอ๋อเนี่นนะ เออมันเห็นอลไรมันก็อ๋อเลยล่ะทีนี้เนี่ยเชื่อมั่นในการตัดสรู้กับพุทธเจ้าเอแล้วก็เชื่อมั่นด้วยใจของตัวเองเลยว่าตายแล้วไม่สูญเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบนี้ในขณะนั้นไม่มีสสารมีแต่พลังงานเพียวๆเลยละ่ะมีแต่ผู้รู้เพียวๆเลยอ๋อมันเป็นแบบนี้นั่นลมหายใจยังไม่มีเลยอ่ะอย่าว่าจะมีขาแข่งคือไม่มีอะไรเลยอะมีแต่ผู้รู้เหมือนลืมตาในห้วงอวกาศอันเวงว้างแต่ไม่อึดอัดจ้ะนั่น อย่ามจึงบอกอ๋อมันเป็นแบบนี้นั่นเนี่ยมันจะเชื่อมั่นอยู่ตรงนี้มันจึงไม่มีวิจิกิจชามันจึงไม่มีศีละประตะประมาทมันจึงไม่มีศักระยะ ท, ที่ต่อไปนี่พวกนี้สั่โยชน์ทั้งนั้นน่เลยนะในในขณะที่อือยู่ที่กระยาอื่นที่ไม่ใช่การนั่งนี่สามารถพิจารณาได้ไหมครับพิจารณาได้แต่ว่า แค่พิจารณาเอากำลังให้รู้จักสรุดสังเวชกับการมีชีวิตที่ไม่เที่ยงไม่เสีย ะ, ะเพื่อจะสร้างแรงจูงใจ ที่จะต้องลงมือปฏิบัติให้เข้าไปสู่ความสงบให้ได้เพราะมรรคแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาธิอะัมมาสัมมาทิฏฐิเป็นข้อที่แปดคุณจะต้องผ่านตัวนี้ให้ได้ไม่งั้นมันจะไม่มีกําลังเห็นไหมสมาธิฏฐิสัมมาสัมกโปโสมาวายโมสมาจิวอะไรก็ช่างจนกระทั่งมาสัมมาสมาธิอ่ฏฐิมันถึงจะแปลงเป็นโสดาสกิธาอนาคาอารหรันเป็นผลคือเรื่องปัญญาเพียวๆ แต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้จตกกำลังมันไม่ถึงก็เหมือนเคุณเอากระจกแผ่นบางๆว า, า, างไว้ออเนี่ยกั้นแสงแดดกับกระดาษ นะมันก็ไม่มีผลกับกระดาษแต่ถ้าเป็นเลนแว่นขยายอ่ะมันมีผลเนี่ยอย่างน้อยกับคุณก็เห็นกระดาษชัดนะแล้วคุณสามารถขยับที่จะให้เป็นจุดโฟกัสได้เพราะมีเลนแว่นขยายเท่านั้นที่จะสามารถหักเหแสงเป็นจุดโฟกัสได้แล้วจุดโฟกัสนันร้อนกว่าแดดธรรมดาไม่โลอืมางันแล้ถ้าติเข้มแข็งนั่นแหละนะมันถึงจะสามารถหักเหความคิดอืมนี่เป็นหนึ่งเดียวได้ น้าเห็นไหมแหละไอจุดโฟกัสนั้นสามารถทำให้กระดาษไหมได้นั่นน่ะมันร้อนกว่าแสงแหลธรรมดาไม่ใช่รึนี่ก็เหมือนกันอ่าสติเข้มแข็งน่ามันถึงจะสามารถหักเหความคิดน่ที่จะโฟกัสผมคนเล็บฟันหนังน้เพราะด้นกับความยาวขึ้นของพีฟอนตอนคอนเทกชา่นระดับแกมมามันถึงจะมีศักยภาพในการโฟกัสจดจำ แล้วเนียวนำทุกส่วนของสมองมาสั่งเคาะให้เป็นปัญญาได้มันถึงจะสามารถที่จะเผาไหม้ผมขนเล็บฟันหนังจับปอดมั่นใจคือให้หมอดไหม้ได้คือทำลายวิธิกิจฉาความลังเลสงสัยมันเป็นแบบนั้นแต่เดี๋ยว มันไม่ได้แต่อย่างที่บอกหมอผ่าศพอะ่ะหมอเรียนอนาตโตมีรู้มากกว่าเราอีกนิติเวศผ่าทุกวันน่ะเบื่อป่ะหรอพอเจ๊กถึงกับเก็บศพทุกวันมีเห็นมีปัญหาเนี่ยอืมน่ะมีรู้มากกว่าเราเลยนอะอืมเนี่เป็นแบบนั้นอืมเพราะตัวสำคัญมันไหมมันอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่ข้างนอกอืมนะเหมือนคุณจะแก้ข้อมูลคอมอะ่ะคุณจะมาเช็ดแป้นคีย์เช็ดหน้าจอเนี่ยนะ <c oughs> อยู่กับคนนี่แหละมันได้เลยอยู่กับคนด้วยกันยังยากสวรรค์จะมีที่ว่างให้หรื <c oughs> อถ้าดีจริงอ่ะคุณต้องอยู่กับเขาได้เนียนสิยิ่งเมตตาเขาสิเห็นเขาไม่ดีก็โอ้กรำน้อ น, นู่นนั่นนี่ก็มองในมุมไหนที่ก็คุยได้ล่ะไฟมันไม่เราแต่มันก็หุงข้าวกินได้นั่นน่ะมันก็มีส่วนดีของเขาอะ อ๋เพราะส่วนดีส่วนได้อของเขาดูเหมือนเราจะดีแต่ส่วนดีของเขาเราอาจจะได้ก็ได้เพราะเราก็ยังไม่ใช่พระราหันอะ่ะเออหันมาดูตัวเองนี่ เออมันจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้คุณคุณไปเรียนรู้นี่คือศีล น, นี่คือทําอ่าแล้วคุณก็คอยพิจารณาเขาหนุนแทนที่จะพิจารณาตัวเองรักษาใจคือรักษาความเป็นแต่เป็นกลรงของตัวเองแต่คุณค่อยไปดูเขาหน่อยไอ้นั่นผิดศีลข้อนั้นไอ้นี่ผิดศีลข้อนี้ในแง่เฐศาสตร์ขาดดุลนะมึงนําเข้าตลอดน่น่อยมึงที่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยลงโมจะมึงไงเออ เอออเาไว้เป็นบทเรียนเออความบิดพลา้ของคนอื่นเออเป็นบทเรียนของเราไม่อยู่ในมิสัยบอกสอนเลยอย่าไปละเมิดเรื่องของใครของมันไม่ได้ตกน้อกแทนเขาอ่ะเองั้นก็จะเป็นแบบนั้นเอสิ่งไหนที่ดีของเขาก็อย่าไปอิจฉาก็ประมวลหาบทสรุปแล้วประยุกต์ใช้เพื่อจะอัพเลเวลตัวเองให้มันดีอย่างเขาอ่ะไม่ใช่ไปอิจฉาเขาก อ, อ, อเวลาเขาทําไม่ดีอ้า ก็ไปด่าเขาอีกแ <c oughs> เวลาเขาทำดีก็อิจฉาเขาอีก <c oughs> เอาไปเอาม า, าถามตัวเองเป็นอะไรอยู่ <c oughs> อเหล็กเป็นสนิมนี่มันก็ดึงความชื้นดึงออกซิเจนจากภายนอกมาทําปฏิกิริยากับตัวเองแล้วก็เป็นสนิมเองเนี่ยนี่เหมือนกันคุณดึงรูปเสียงกลิ่นฟฟรสพุทธประพัดธรรมลมมาทําปฏิกิริยากับใจตัวเองแล้วก็เศร้าหมองเองอัศว ะ, ะเครื่องเศร้าหมองมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่นี่จริงอยู่เขาไม่ดีแต่คุณไม่รู้จักรักษาใจตัวเองเนี่ยระวังนั่นแ่ะคุณจะไปเศร้าหมองกับเขานั่นเห็นไหมก็เหมือนเหล็กดึงความชื้นดึงออกซิเจนมาทําปฏิกิริยากับตัวเองก็เป็นสนิมเองเนี่ย แล้วคุณทุกกับเขาอ่ะเนีน่ยอทั้งๆที่ว่าคุณเป็นคนดีแล้วเขาไม่ดีแต่ทําไมไปทุกกับเขาล่ะเนี่ยก็นั่นไงไม่รู้จักรักษาใจที่ว่านะคือไม่รู้จักรักษาความเป็นกลาง <c oughs> รักษาศีลกับไปรักษาตัวหนังสือน่นอนตัวหนังสือเป็นหลักการที่จะบอกว่าอย่าไปละเมิดนะข่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมโดยบริบทคือ ือว well, right. ่าไม่ให้ไปละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนศีนคือก็ห้ามห้ามใครห้ามเรานี่ใครคือเรานี่คือตัวศีลรักษารักษาศีลรักษาเราหนิอย่าไปละโมิดผู้อื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนในเมื่อเราไม่ไปละเมิดใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราก็ไม่มีสัญชาติยานระแวกว่าใครจะเบียดเบียนเราจิตเราก็เลยเป็นปกติอยู่เย็นอยู่นั่นคือศีนโดยสภาวะรักษาสภาวะนั้นเว้เรียกว่ารักษาศีนอ่ะ มันจะเป็นแบบนั้นในใจตัวเองเะอืยไม่ใช่ไปแทะตำรามาอยู่เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่นู่นนั่นนี่นะเห็นเขาฆ่าสัตว์เห็นเขารักทรัพย์เห็นเขาออืม ก, กินเหล้าอยู่นั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่แตถามว่าในตอนนั้นเน่ะมึงเป็นปกติไหมล่า <laughs> แล้วถ้าไม่เป็นปกติแล้วมึงจะทุกข์ขมายนั่นอย่างเป็นแบบไอ้ถ้าถ้าเป็นปกติมันก็ไม่ได้เดือดร้อนก็เป็นศีลแต่ถ้าผิดปกตินั่นมึงวุ่นวายแล้วถ้าวุ่นวายก็แสดงว่าไม่ปกติไม่ปกติก็ไม่ไม่มีศีลแล้วทั้งทั้งนี่มึงไม่กินเหล้าแต่มึงก็ผิดศีลแล้วเนี่ย <c oughs> คือผิดปกติแล้วไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มากครับในสมะที่จะมาใช้นอกจากในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะสามารถนำมาประยุก์ใช้กับชีวิตการทำงานได้นะครับได้ที่กีอ่ได้ได้ได้หลาเอาตามตามตามเราเราแก่แล้วเรามีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยเราก็ต้องยืดหยุ่นตาม มันตะกิเลตอยู่ในใจเราอืมเพราะนั้นเรารักษาความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกสาธุทโธพุทโธไว้อย่างนั้นเนี่ยจะนอนก็ได้จะอะไรก็ได้รักษาไว้อืมอ่าแต่ถ้ายังหนุ่มยังน้อยก็ท่าที่สมดุลที่จะนั่งได้นานเนยที่สุดเนี่ยก็คือท่าที่พระพุทธเจ้านั่งอ่นเนี่ยสมาธิอ่ะนะ แต่ทีนี้เราแก่เราอะไรแล้วกัพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ยังนั่งโต๊ะนั่งอะไรเลยคือเจ้าต้องผ่อนตามความเป็นจริงรู้จักสมมติเคารพสมมุติแต่ไม่ติดในสมมุติรักษาแต่ใจความรู้สึกตัวเองใจใจในยะคำว่าใจคือสภาวะความรู้สึกที่เป็นกลางรักษาความเป็นกลางไว้อย่าให้มันไปอดีตอ น, นาคตรักชั่งอืมเป็นแบบนั้นอืม ในขณะที่มีการจัดงานการขอิบเคลืสอนิบาสายบอบาทั้นตัวมีตรงนี้งานก็คือว่าเราสามารถที่จะโอนไปร่วมสมุทรปรากาได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เออก็มีความรู้สึกว่าตัวผู้อื่นเขาก็ไปกันเนาะลงพานเยอะแยะมากมายทุกคนต้องประกาศแสดง อะไรกแแเรา or, คูบาอการยามสัมนอยู่ตรงนั้นแหละทั้งที่เราต้งคุณเยอะเราต้งเลยทำใจไม่ถูกว่าโอนไปแค่นี้มันจะพอเหรอเราพูองอดึงเข้าเสียสถานไปเป็ น, นั้น <ừ. S 1> แล้วทุกคนก็ไปแล้วงานแล้วงานเราเราก็ไม่ไปสักทีที่ตอบคาถามข้อนี้ให้สบายใจไหมคะว่าทายังไงง การทำธรรมะโดยหลักการคือหน้าที่โดยสภาวะก็คือความพอดีแต่กาะทำหน้าที่ของตัวเองให้พอดีกับเพศภาวะสถานการณ์เทศาสตรอใครเขาสะดวกเขาก็ไปเราไม่สะดวกเราก็พุทโธพุทโธอยู่กับอยู่บ้านนี่ก็ได้ทำใจอนุโมทนาบุญกับเขาก็ไม่เป็นไรทำใจนั่นแหละมันจะทุกข์รู้สึกก็อยู่ที่ใจตัวเองไงมันต้องเป็นเลมมันนิ่งมันไปถึงนั้นอาจจะเป็นเลน อืมมันจะพลังมันเยอะกําลังมันมากรู้สึกโปยของจริงสัมผัสถ้าเฉลียวก็จะไปไปไปได้ก็ดีเราไม่ทันทันเพื่อนเลยอ่ะไม่ไปไหนสักทีคือพอดีกับตัวเองเมือนเราล่ะถ้าเราพร้อมที่จะไปเราก็ไปไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปก็ไม่ได้เดือดร้อนนะพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่นท่านก็ไม่ได้วิ่งหาใครนั่นน่ะเอ่าหลวงปู่มั่นกับบรรลุอยู่ในถ้าในเขาคนเดียวนั่นล่ะ ก็ไม่ได้วิ่งหางานนะท่านไม่ได้ไปตั้งโรงทานไหน น, ะนะนั่นแหะงนลุงลุง ป, ปู่ต่างๆนะก็ไปหาที่ เ, เรียนรู้คำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปน็นแนวทางนะเขาหาที่สงบสงนะัดก็ดูแลตัวเองไปมีญาติโยมมาเกี่ยวเนื่องกับคุยให้ฟังไม่มีใครกับพุโทโธอยู่นี่ไง ไม่ใช่ว่าต้องไปในบุญในงานนั่นถึงถึงจะบรรลุดีไม่ดีไปทะเลาะกันก็มีเอะะบนเนี่ยรวมทานอย่างนั้นเน่อสัพเพสัตตาอยู่สลานี่ยแแต่กุดข้างๆกันไม่ถูกกันก็มีทะเลาะกันก็มีเยอะแยะไปพยายามเน่ยทำใจเนี่ยดูใจตัวเองเนี่ย เออแล้วพอเราสะดวกพี่จะไปกับป้ายแต่ก็ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรพุโทโธพุโทโธอยู่ที่นี่นี่นั่น <c oughs> เออไม่งั้นจะบ้าบุญนั่นแหละนะแล้วก็จะติดในรูปแบบของ <c oughs> อองานพิธีเอาไปเอามาก็บวุ่ น, นวา ย, วายอยู่กับไ อ, ไ อ, ไองานพิธีใหญ่ๆโตๆมาลงมาเสงกันอยู่นั่นนะ <c oughs> น่าจริงๆพระหันเกิดในป่าในดงใน น, น, นนั้นังนั้นนนะ ไ ม, ไม่ได้อยู่ในงานพิธีใหญ่โตนั่นน่ะแต่ทีนี้พวกเรามันค่อนข้างหนักๆเข้ากับจะบ้าบุญก็คือใจแห่ไปทุกงานน่ะมีโบทัวมีนั่นเทียบเลยหมดมันเกิดหลวงปู่นั่นแล้วก็ไปต่อหลวงปูน่นี่แล้วไปต่อหลวงปู่นี่ตายเายนั่น เราพอไปถึงเือกันเหนื่อยแล้วเห็นไหมทำอะไรได้ใช่แล้วทีนี้เอาเอาบุญแค่ทานนี่แน่แต่วิ่งผาพระพ ก, กรรมฐานเราถึงบอกกันพวกนั้นเด็กธรรมศาสตร์นี่มุนเราไปเราบอกให้ชมรมพุทธธรรมกรรมฐานอ่ะงั้นก็ต้องนั่งหน่อยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ย อ่าถ้าถ้าไม่พร้อมที่จะนั่งเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ไปนะอาจารนี่มนุ์พระเรามาบินลำบากอยู่เฉยเฉยมารวมมาเสงนี่เราก็าแล้วตั้งชมรมขึ้นมาทำไมอ่ะชมรมพุทธธรรมกรรมฐานอย่างเงี้ย อ่าเรียกหาพาระธรรมขันพระธรรมไอ้กรรมฐานโชพาววัตุเองกว้างขวางรู้จักพระเยอะไปต้อนมาหมดทางอีสานน่ะ <c oughs> อ, อให้นั่งจริงก็ไม่ถึงสามชั่วโมงมันไม่สมกับวิ่งหาพระ ก, กรรมฐานน่าไปอะไรเฮาแบรนเดมท่านน่ะน่าติดชื่อเสียงท่านน่ะศรัทธาที่ไหนอะศรัทธาท่านที่แบรนเนมชื่อเสียงไม่ได้ศรัทธาที่ปฏิปทาท่านน่ะท่านศรัทธาปฏิปทาท่านท่านนั่งโต้รุ่งกันน่ะ ลองของเรานี่ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะเอาสามสี่ชั่วโมงนี่มันได้หน่อยสินี่อย่างน้อยก็ได้นิสัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ห้าวหาันเด็ดเดียวก็กิเลดตัวเองนั่นมันถึงจะเออมีท่ามีทางนะ่อยวัดเราถึงนั่ง3สามชั่วโมงอย่างน้อยนะ่นะมาปุ๊บเลยหกโมงร่างกายกำลังสดชื่นไม่ต้องไปสวดมนตนะ์นั่งก่อนเลยนะ่ะ อ่าเลืนที่นี่เพราะฉะนั้นวัดเราไม่มีทําวัดเย็นนะเพราะจะทําวัดดึกเพราะทาวัดสวดมนต์สรรเสริญพุทธคุณนมาคุณสังคคุณก็มีพื้นฐานรู้กันอยู่แล้วแต่ว่านั่งนี่แรงจูงใจที่จะนั่งนี่มีน้อยเพราะฉะนั้นอ่ากิเยร่างกายยังยังสดสดอยู่นั่งเลยหกโมงเข้าที่นู่นเลยสามทุ่มอ่าอ่าหรือสี่ทุ่มออกมาแล้วจะสวดเล็กๆน้อยๆก็ได้เพราะยังไงก็รู้อยู่แล้วสวดมนก็เพื่ออะไรยังไงนะไม่ต้องนั่นหรอก เออให้มันเข้าท่าเข้าทางหน่อยหาวัดปฏิบัติตอนนั้นก็จะติดจะรูปแบบเฉย